แต่ลาที่ต่อเสียไปก็คือมีมหาสมุทรใหญ่ก็มากเหมือนกันแต่ละที่ที่จะพูนอาศัยได้สําหรับคนละสัตว์ยังมีมากกว่าโลกพระพุทธมากสําหรับโลกพระพุทธ น, นี้ก็มีทั้เลยมีมหาสมุทรเหมือ น, นกันฉะนั้นเนื้อที่ย่งไมีไร้สัตว์ทุกคนอาศัยก็มีได้กว่าโลกมนุษยมากและเพื่อถามว่าคนโลกนี้เขาไม่เทียอะไรเจา้าค่ะ ถ้านก็ชวนนม่จุลัยว่าลงไปดูกันลงมาดูชาโลกวัฏสงฆ์ลงไปถึงพื้นดินแต่เราไม่จำเป็นต้องเดินอย่างมนุษย์เขาเดินกันถ้าเดินอย่างนั้นไม่ทราบว่ากี่สิบ ป, ปีอายุหุ่นจุลหยก็ไราสามารถจะเดินทั่วแล้วก็ใช้การเดินจ่างคนหอกไม่จะไปไหนไปถึงทันทีจะไปชาแล้วไปก็ได้ เรื่องก็ปฏิบัติตามนั้นลงไปก็พอดีไปพบคนพอดีเมื่อคนในโลกนี้รู้สึกมีความยิ่นแย้มกจ่ใสเป็นพิเศษเขามีความขยันหมั่นเพียรไปกอบกิจการงานหน้าตาก็เฉ่ียงเป็นคนมีผิวขาวนวลไม่บอกรารข้อความทุกมาดูว่าเรื่องคนลหลายมองดูไปนอกมากไปหลายหลายหมู่บ้าน ก็มีแต่ความว่าเออบ้านก็สวยสดทุกงามทุกคน้็มีแต่ความยินยามแจ่มใสื <c oughs> ้นพันธุญาหานต้นไม้ต้นไม้ต้นเกลือต้นอ้อยต้นทุกอย่างมีมากกว่าขึ้นไปหมดอากาศก็จะมีความเยือกเย็นหน้าอยู่มีตอนใกล้กลางนะใต้กลมีความอบอุ่นเพรความย็นพอสมควร ถ้าจะเที่ยวระโลวันนี้ก็มีความเย็นประมาณย0่สองศาตอนนี้ส บ, บายๆคนสดชื่นมากาและต่อไปพระประถามมาจุเลยเห็นสัตว์หรือชาติไหลูกจุเลรมองไปมองมาทาัทาง้ทงทั้งที่ใช้ตาที่เป็นนามธาทําที่เรียกว่าตาทิ์ก็ไม่สามารถเห็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์ได้เห็นได้คนอย่างเดียว แกก็ทูลตอบพระว่าไม่มีมองไม่เห็นเจ้าค่ะสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์แกก็สงสัยว่าใช่ที่นี่นไม่มีสัตว์ประหลานไม่มียานานะที่สัตว์ลแต่ขอรักจะต่อไปว่าที่นี่มีระเกินไหมเธอมองมินเทิลโลกก็ไม่มีระเกินเหมือนกันอยากก่อนคือระเกินไม่มี เธอก็ตอบกับพระว่าไม่เห็นเจ้าค่ะพระตอว่าโลกนี้ไม่มีรถยนต์ให้ดูเครื่องจักรกนต่างๆเธอก็มองไม่เห็นอีกเธอก็ตอบว่าไม่เห็นเจ้าข้าพระถามว่าถ้าไม่มีเครื่องจักรกคนโลกนี้ต้องกินข้าวมันก็โลกเราต้อมีความเปอยู่วันโลกเราเวลากินข้าวจะข้าวเป็นครับเปลือกเขาจะกินได้ยังไง คิดอะ้รก็จนใจจนมคําตอบ <c oughs> มองไปมองมาด้วยความรอบคอบคุณเท <c oughs> ก็มองเห็นเป็นข้าวที่ปลายกบขึ้นธนาข้าวทั้งหมดปลายกบ ก, ก็เป็นข้าวสารเดินทีก็เป็นข้าวเปลือกพอแก่ท้นทีเปลือกก็แตกออกแยกก็มาเป็นข้าวสารป <c oughs> ลายกินนิดหนึ่งเห็นมันลาชาวบ้าน เลาที่เขาจะหุงหาอาหารทีเก็บจนได้มาเขาไปเก็บใส่ถังใส่ขันนํามาเอามากันไม่มากแค่พอกิในใเหลกกินนิดหน่อยก็ไดหงช้าไว้ประโยชน์ตอนเย็นใ น, น้ลางวันต่อไปเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยเท่านั้นไม่ทานยอะไม่กันช้างเท่ก็ทูลตอบพระว่าในโลกนี้ไม่ต้องมีโรงสีก็ค่ะแล้วก็ไม่ต้องซ้อมข้าวเมื่อข้ามาเป็นข้าวเปลืก ต่อมาก็ลดใจพอไป็น้าสันสเห็นชาว บ, บ้านกนดันงจิกเก็บกันท่านก็นตอบว่าใช่เธอเห็นถูกแล้วห <c oughs> ลังจากนั้นองค์ชนเด็จพระปฏิบัตแก้วก็ถามเธอว่าไปดูที่ว่าคนบ้านนี้เนะ่ะเขาต้องฆ่าสัตว์กินไหมเธอก็ตอบว่าสับไม่มีแครฆ่าเจ้าข่ะเจ้าถามว่าสัตว์ที่เดินบนดินไม่มี สัติที่ไร้น้ำมีไหมที่เปรายานของเขาเธอมองไปดูด้วยความเป็นทิศของตาแค่ตาทิศเธอก็จะไม่เห็นเจ้าการเธอตอบว่าใช่โลกนี้ไม่มีสัตวิชานฉะนั้นเจ้าไร่นามว่าโลกเราคือโลกพุทธเธอก็ถามว่าโลกรู้ทำไมเจ้าไม่มีสัตวิชานถ้ามีสัตวิชานนี่อาจติชานอาจจะรู้ภาษาคน คนอาจจะสามารถจะรูร้เสรนภาษาชัดสามารถพูดกันได้ก็จะมีความรู้มากจริงขึ้นพระจะตอบว่าทูไรลูกหลักการโลกใดถ้ามีสัจมีสัจเถรานโลกนั้นยังไม่รู้จริงในสมัยความพูดที่เกิดเป็นสัจเถรานนเป็นคนที่รู้ไม่จริงความรู้น้อมากเกินไปน้อยกว่ามากกว่าความไม่รู้ ทางนี้เพราะอะไรเพราะเราสัตว์โดยสานทุกตัวมาจากคนคนนี้ทําความชั่วบาปอโซนอย่างหนึ่งฆ่าสัตว์สารลกสัตว์สารพุทธพฤตกรรมสี่พูดภาษาวา่าห้าพูดกันหยาบหกพูดส่อเสียดยกให้เขาแตกกันไมว่าเจ็ดพูดกระจาเหลือหลายประโยชน์ไม้จต่ อ, อยทิพยยาได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรม เก้คิดประทุษรายฉลาดคือจองล้า ง, จอ ง, างจองสานจองเวรจองกรรมและก็สึกมีความเห็นในต่งตามความเป็นจริงมีความอักตัญญูไม่รู้คนคนคนใดที่มีคุณคนนั้นแทนที่ยอมรับปถือกับอักตัญยูไอ้หนอนเขาได้ความชั่วที่มีความเห็นผิดคนประเภท น, นี้จะตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเกิดในอบาอยภูมิคือมีไรก ตป็นต้นแล้วมาเป็นเปิดมาเป็นเครือขายก็มาเป็นสตรีชานอีเล่นสตรีชานทุกตัวก็มาจากคนไม่จะถือว่าเม็กเกิดมาเป็นโลกเป็นสัตว์ทีเดียวเกิดเป็นคนก่อนจะเป็นคนที่มีความชั่วเป็นคนที่ทําความชั่วขึ้นหนึ่งกันฆ่าสัตว์ชีวิตเพื่อทาร้ายร่างกายึิงกันละกันฆ่าชิงกันละกันอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นคนรู้ถือว่าเป็นคนไม่รู้ คือเมื่อโทษเรื่องความชั่วที่ตัวจะต้องทําในเมื่อเราคิดปฏิทุสรายเขาเขาก็คิดปฏิทุสรายเราเราปฏิทุกสรายเขาเขาก็ปฏิทุสรายเราเราอยากจะฆ่าเขาเขาก็อยากจะฆ่าเราตอบแทนเรื <c oughs> ่องความเลนี้คนประเภศนี้ไม่มีความสุขไปไหนก็ตามตระหนัคนมมีความระแวงสงสัยอยู่เส ม, มอจะหลับก็มไม่สุขจะตื่นก็มไม่สุขต้องหวาดผดุเส ม, มอ เพื่อความทำเพื่อความไม่รู้การรักทรัพย์ก็ดีการพึ่งพึในการก็ดีทั้งหมดเช่นเดียวกันทำแล้ผล ม, มีความทุกข์คนในเลกนี้ทุกคนไม่รู้อย่างคนในโลกสมุูมรเราเปคนรู้เหมือนกันแต่เราไม่ครบถ้วนฉะนั้นจะมีสงครามการลบราฆ่าความทะเลากันการแย่งการขโมยกันการแย่งคนรักกันการพูดหม่พูดไปตรงทางความเป็นจริงพูดเลยบ้างได้เบญคราญในรายยานิเป็นต้น <c oughs> เร่ความรู้คนในโลกนี้ไม่รู้จริงคนโลกมี้เขารู้จริงคนที่รู้จริงจริงจะมาเกิดในโลกนี้ได้คือเลือกส่วนใดเป็นโทษส่วนใดเป็นคนใครแม้บาปไปได้ชั่วคนประเภทนั้นเขาเกิดในโลกมนรดแล้วเขาไม่ทําบาปไปทําชั่วไเปเป็นเทวก็ดูไปเป็นเทวดาก็ดีในปรัชนาแบบนี้จากผมเทวดาก็มาพักที่โลกนี้ซึ่งมีความสุขแต่โลกนี้จะไม่มีสัจธรรม สพราะปฏิฉันเป็นเหตุกรรมทั้งความชั่วนําให้มาเกิดโลกนี้เป็นโลกรู้กมเป็นลโลกเทวยังไม่มีสฏิชันมาเกิดก็เลยก็จําได้เพก็ว่าคนรู้เขาเป็นยังไงแต่ต่อไปเขากะบอกต่อไปดูต่อไปโลกรักดวงจงยาคนชาวบ้านชาวบ้านตรงนี้เขอยู่กันยังไง เอเดเรือใหญ่ๆที่เราอประเทศมีไหมเธอก็ตรวจไปทัโลกไม่มีเรือใหญ่ๆที่เรือปเทศเลยจเจ้าหนาทเขาจังหวัดที่มีผู้บรการจังหวัดก็ไม่มีบ้านมีสภาพคล้ายคลึงกันหมดบ้านใหญ่สะอาดสวยสวยงามคนหน้าตายินแเียนแจ่มใสดูดูตำรวจดูทหารก็ไม่มี ดูเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามก็ไม่มีคนเถื่อวัดก็ไม่มีเธอก็แปลกใจ <c oughs> โลกนี้ทําไมไม่มีผู้ปกครองทําไมไม่อแบบงในขอบเขตเป็นประเทศเลยเป็นรับเธอยก็ทนถามเองฉัเป็นสงสวรรค์โลกคนโลกนี้น่าจะหาคนที่มีความรู้พิเศษไม่ได้เพหนึ่งไม่มีขุนใหญ่ บ, บ้านสองไม่มีคำนัน สามไม่มีนายอำเภอสี่ไม่มีผู้บริการจังหวัด่ห้าไม่มีรัฐมนตรีหกไม่มีนายกเจ็ดต้องมีข้าราชการนิ่งแต่ผเร็จระดับหนึ่งก็จัดว่าก็ไม่จําเป็นต้องมีเการมีอย่างนั้นก็คนเกเรไม่ตั้งจะมีความดีต้มีคนควบคมุมตั้งปพยพบ้านควบคมุคบคมคนในหมู่บ้านมนกลมใกล้ <c oughs> ใหญ่ไปหลายหมู่บ้านก็มีกำนันเป็นประธานเป็นผู้มีอำนาจในตำบลนั้นต่อไปหลายๆก็มันก็มีนอำเภอเป็นประธานมีอำนาจในเขตอำเภอนั้นหลายๆ อ, อำเภ อ, อ, อก็มีผู้บริการจังหวัดอันนี้เป็นต้นตันวาการที่มีวบคุมคนที่มีความประพฤติมดีเขาอยู่ในขอบเขตถ้ามีความประพฤติดีก็จะนํามาลงโทษแต่เค น, นโลกมี้เขาไม่มีการลงโทษ ก, กันว่าคนมีความประพฤติดี ให้ท่านกระชจนให้เป็นคนณกบรรดาชาวบ้านทั้งหลายตอนนั้นไปเท่ไรก็ลงเดินดินข้าไปหาหคุณยายคนหนึ่งความจริงน่าจะเรียกว่าคุณพี่หรือคุณน้าเพราะว่าคำว่าคุณยายมัแก่มากข้าไปถึงยกมือไหว้ท่านถามว่าคุณยายเจ้าค่ะอายุเท่าไหร่คุณยายก็ยิ้ม แห่กราถามว่าหนูมาจากโลกไหนคนโลกในรูปร่างหน้าตามันหนูไม่มีได้กระไมความีรูปร่างหน้าตาอาจจะใช่ถึงกันแต่ว่เป็นลาตัวเล็กเอาไว้ผมจบผมว่าเราข้าไม่มีเป็นถูกโกนหรือก็ ป, กปักตึนมีเพชรเล็กเป็นเพชนราคาไม่แพงท่า น, นี้อาจจะเป็นเพชรเลเซอรเพชรโปรไ ก, ก็ได้เป็นแก้วประเภทนั้น เธอจะบอกว่าฉันมาจากโลกชมพูจ้ะค่ะเขาก็ถามว่าโลกชมพูอยู่ที่ไหนเธอก็ชี้ใหดูด ว, ด, วดาวดวงหนึ่งแต่เลยโลกพระอังคารเลยโลกพระจันเข้ามาเป็นโลกของชมพูมองจากที่นั่นในเวลากลางคืนก็เห็นวันดวงดาวเหมือนกันมีแสงสว่าง <c oughs> แต่วันดวงดาวไม่โต น, นักแต่เขาก็ถามเธอว่าเธอมาด้วยงไง เธอจะตอบว่ามาจากความรู้ของพระจึงให้แต่พระจึงาำลังมาไม่ใช่ตอบนี้เขาแต่ใจเขาถามว่าคําว่าพระหมายความเป็นอย่างไงเธอก็ตอบว่าพระคือนักบวชเขาจะถามว่านักบวชหมายควา ม, มอย่างไงเธอก็ตอบไม่ถูกหลานมาชี้ที่องค์ฉันจะจะพิดมีพระพ่าเจ่าเวลานั่งท่านนั่งกายเป็นมนุษย์ธรรมดาหนาเหมือนกันต้องทํา้ร่างกายให้หนาเขาจึงจะเห็น ไม่เป็นไรเขากราบท่านท่านเขาก็กราบบ้างเขาถามว่าพระแต่งตัวอย่างนี้หรือท่านก็ตอบว่าแต่งตัวอย่างนี้จะขาดแล้วต่อไปเขาถามว่าพระมีฤทธิ์หรือท่าก็ตอบมีฤทธิ์จะขาดพระไม่มีฤทธิต์ตัวท่านอย่างเดียวท่านทําให้หนมีฤทธิ์ด้วยเขาถามว่าหนมีฤทธิ์อย่างไงก็ตอบว่าสา ม, มารถมานี้ได้ต้ก็ต้องใช้ญาณฐานะเลยมาเฉยๆเข้าไปแล้วก็แปลกใจ เลยยื่ถามว่าคุณยายในยุทธลายเจ้าคะ่ะแค่ความจริงใจไึกในใจแม่เรียกคนยายเขาจะโกรธไหมแต่ความจริงแล้เขาก็ไม่โกรธเขามไม่ทราบใบสั่งว่าคุณยายหมายความยังไงให้าถามว่า ค, คําว่าคนยายจะหมายความเป็นยังไงเขาจะตอบว่าคนที่เป็นแม่ของแม่เรียกว่าคุณยายถ้าเป็นแม่ของพ่อเรียกว่าคุณ ย, าย่า แั่เป็นคนดาเหนื่อยอายมากยางน้ที่สุดที่สุดคนประเภทนี้แต่อายเกินสี่สิบปีขึ้นไปหญิงคนนั้นทำท่าจะงอนถ้าว่าคนที่อายุสี่สิบปีแลวแกเลยก็เล ย, ยเธอบก่กจะข่าถ้าว่าถามว่าหนูอยายุเท่าไรจ้ะก็เลยก็ตอบว่าอายุสี่ปีจนยากห้าปีจะ่ะถ้าก็แปลใจไม่ยานี้เรียกว่าเด็ดใช่ไหม ทอะไรก็ตอบว่าใช่แล้วถามว่าโลกชมพูหรือโลกมนุษย์ที่มีมนุษ ย, อ ย, ย, อย์อยู่นั้ น, นอายุไขัยเท่าไรที่ไรก็ตอบว่าเวลา้อายุไขัย75ปีจะขาดยิ่ว่านั่นซักถนนท่านท่าสงสัยมากก็ถามว่าคนโลกมนุษย์อายุนนขนาดจี๋หรือเท่านี้เลยเกิดมาประเดี๋ยวเดียวก็ตายอย่าแล้นเวทอะไรก็แปลกใจ อายุขายเจสิบห้าปีไม่ใช่ประเหีเดียวเลยตั้ง75ดสิบห้าปียิงย้านถามคนยายว่าคุณยายจะขาคนโลกนี้อายุขายมีเทา่าไรจะาคนยายยินก็แต่ว่าคนโลกนี้อายุขายแปดหมืนปีจะขาทุกอย่ไรก็ตกใจแ 1, ปดหมนปีเธอคิดในใ จ, จอยู่ได้ยางไรนะในโลกม น, นุษย์เราแค่ยุห้าสิบปีก็เริ่มแก่มากแล้ว บางคนก็ฟันหักหมดบางคนหัวหลอกทั้งหัวบางคนหลังคว่ำบางคนก็เดินไม่ไหวหกสิบปีก็ทำท่าจะไปในรถเจดสิปบปีเริ่มหงำแปดสิบปีแล้วเยเก้าสิบปีคลานี้ถ้าร้อยปีจะบันลมกินเกรงความปแปลกใจว่าคนยุนที่มีที่ต้องแปดหมื่นปีใครเรื่องถามว่าเวลานี้คุณยาที่อะไรจะแข็ง คนใหญ่ก็ตอบว่าหนูเรียกคนใหญ่ไม่ถูกนะจ๊ะฉันไม่อยากเป็นสาวอยู่นะจ้าถามว่าความเนสาวเขาก็ยา ย, ยุทลายจริค่ะท่านตอบว่าเวลานี้โยกนนฉันสามหมื่นปี ส, สิ้ยสุย่า น, นถึงสี่หมืนปีชุลยตกใจเลยนหน้าตาของคนใหญ่ยยจริงๆเวลานี้ที่เรียกคนยายเขาถึงกับเป็นคนใหญ่ยกย่องท่าน จะเรียกว่าคนหน้าสาวแบบอาจจะมาเกินไปซึ่งสมองผู้ใหญ่ความจริงแล้วคนหน้าจะเป็นหน้าสาวคนุ้ริเล่ยอายุป่าไปได้สามหมื่นปีเสร็จแล้ถามว่าคนที่แก่ที่สุดใกล้จะตายยุโอปขาดเคจเจ็เหมือนปีเสรใกล้แปดหมื่นร่นแรกใกล้ใกล้แปดหมือนปีร่นแกเป็นยังไงจะ ก, ก็าแก่มากไหมคนใหญ่ก็ต่ะ ว, ว่าแก่มากหรอก กิเลยก็ถามว่าฟันหักไ้ยต้นยายก็ถามว่าฟันมาจากหักหรืจ้ะเล่ามา่าฟันหักเลยเธอขาตอบว่าหักก็ตอบว่าโลกนี้ไม่ม we no ีอะไรเสียฟันก็ไม่หักกิเลยถามว่าผมออกไหมจ้ะค่ะต้นยายก็ตอบว่าทันยาวแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเสียผมก็เป็นออกหนงก็ไม่เหยหน้าก็ไม่ย่นหน้าตาเข้ากันกับฉันแต่เธอก็คิดไปคนหนึงคนหนึ่งที่บ้านคนบ้าน แม่คนนี้แต่เป็นแม่ของฉันจะ้ะเวลานี้ได้มีอายุแก่หรือายุขขก็เป็นคนทีแล้วคืกแก่เยอะอายุเจ็ดหมนปีเกล้จก็อแปดหมื่นปีเวลาจะมองหน้ามองร่างลักษณะของคยใหญ่ใหญ่ก็ ไ, ไคนใหญใหญ่เขาเป็นแม่ขอคนใหญ่คนนี้เยอะ้หน้าตาอย่างสาวก็ค้ายแม่ของคนใหญ่คนนั้นคนเดีอวไรเยอก็ตกใจว่าทำไมคนเมืองนี้จะมีความสุขอย่างนี้ แกกถามว่าคนแก่ก่อ น, นี้ไม่มีด้วยเขาบอกไม่มีการเจอแล้คนแก่เทีเยบดีกวานนกา่าเป็นแม่ก็กว่านั้นถ้าจะเทียบคนในเือมนุษย์จะมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีแต่คนเรอมนุษย์การเจอโลกนี้เป็นโล ก, กที่มีความสุขจริงๆแกก็ถามต่อไปว่าความป่วยไข้ไม่สบายมีมจ้ค่ะข้าวิ่ถามว่าป่วยเป็นยงไ แกบอกว่าปวดน่อปวดนิ่วปวดที่สะบางเดียนหัวบังเป็นไข้บังทองร่องบังเป็นหลอดเจียงบังคุณยายวิคุณแม่แปลกใจทุกอย่างเธอก็ตอบว่าจริงที่หนูถามมาไม่มียายไม่ต่งเลยที่นี่เขาไั่มีเธอก็ถามว่ามีหมอไหมก็ยายก็แปลกใจเขาเขาคำว่าหมอยังไเธอก็ตอนหมอก็มียายไปตามโลกเป็นนักสาวคนไข้คนป่วยก็ยายบอกไม่มี ยายีงทีี่หถามมะที่เขถามว่าทั้งมที่เลกวันนีดะที่เราตอบมีมากจะค่ะที่เริ่มเขามีมากคือเถามที่คนปวดสายเขตปรนีมากคณยายก็แปลกว่าโลกมันไม่ทาไมเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ะโดดมาที่เราถาายพาดถามว่าในประเทศนี้มีบ้านมีกันไหมมีอะไรมมีเพื่อการจราจรหแล้วตรงนทีก็โให้มีมายกมีไหมมีเจ้ามือยายหนูเรื่องเลย นายทหานถามไม่ทั้งหมดม่ทั้งหมดก็ถามว่มถาถ้าอยู่อย่างนี้ต้องเหงนกันเกษตรล้มปามใครจะตัดชิงนลงโทษคนให่ยยโรกคนนึงเขาทะเลาะ ก, กันไม่เป็นขขัดคอเป็นในการแทยเขาไม่ตาย่าก้การเมองโกรธในการเลทรัพที่ไม่ต้องระวังไม่มีใครรักดูบ้านไค่มีกุญแจในการเลือกสาคนโลกมันต้งกันหมด ผูห้หญิงก็สวยผู้ายก็สวยไม่มีใครยรักกันแต่คนตาไ ม, ม่คนรับบรกนคนตาดำพังแต่ได้หนึ่งมันทลับบได้กำลังคนรักได้่สี่คนโลกไม่ไม่พูดความไม่ไม่พูดขับไม่แยะยืนยันแต่แขงส่ก็แตกกันผู้บรรจารประโยชน์ใ้รายการนี้คนโลกไม่เห็นสามรัอยากได้สมัยสมกิพิบาลใส่ไข่ทุกคนมีความเห็นแต่คนตามีความรักต่คนตามีความเน่นามม ต่างก็คุยกันอกันต่างความไม่ถือถ่ตนต่างคนคนดีต่างคนต่างข้อสิ่งละกันเื่องขอเลือกุติยความจริงคือร่างของควันที่เรพาคณยายท้งคุณยายจะข้ามน้ไหมคุณยยก็ทำเหมัน้อยู่ข้างๆจะพาุณาพาไตอนี้ก็ุณายเบาเดินค้ายๆไปก็เดือมากแต่สยจนเราไยนรังข้อสิญญาไม่หาใจเดิน เป็นแป๊บเดียวสิ่งที่แม่นายใส่แท้แม่นาลองหัมองเห็นกล้งครองน้ำหลายตลาีดถ้าเยาว่าชต่างไมาได้กดมันน้ำสใสมากไม่เจออะไรก็ทเลไม่เอค่าแยกก็ตปลว่ามีวาสมุทรน้ำ ส, สะอาดแต่ไม่เข้ม <c oughs> แต่มีน้ำเข้นน้ำสนิกเธเก็พาอยู่ทะเลนีแ่แหลแใจว่าคุณยายมีทั้งเมือหนาไม่ต้องดดแต่ทำเดินเรอย่างนี้ หลังจากโภธฐานที่ต่างๆขั้นตอนของคนรู้ได้ปวะสา้กับคนรู้เท่ที่ได้ใส่เสรืัองอานาจาระก็เป็นที่พอใจดีงในเพื่ความใจกระบาทปัจจุัวเป็นรลูกรักวานนี้มันเริไกลเร่มใก้จะถึงเวลาจะเด็กมากเกินไปทำไมถ้าเด็กมากเกินไลูกรักก็จะไม่มีประโยชน์การเรือนเก็เพราะเพนี้จะต้องเตรียมการเรือนษาต่อไปเรียกลับ กิริยาสหามหาันต์ขาอมเด็กสพูมาะจับ ก, ก็บ ถ, ถาถาว่าโลกน่ า, จากจะครคนรู้สิ่งนันาในดินนีค่ะต้องเรกแบกว่าส น, นตานดินนี้หมายได้เกิดอย่างทางคก็ดีน่นมาดูเพื่อน ก, ก็ดีโลนี้แ่ไม่ต้องขุดเพียงแค่เดินไปชายขาวนอนทงังที่เเขาอีมากเป็นยำใถ้ายุเกียวแต่ น, นั้นทางคาก็ตา ก, กดเพื่อเนเนก็ตาย ก, า ก, กดฝังในกึแค่พื้น โดยเพาะอย่างใกล้ๆบ้าของเขาก็มีจุดทางคํำท่านเชื่อโดยองค์สมเร็จพระเจ้าแม่เสด็องค์สมเร็จพระบรมโพธิจักรว่าโลกของความรู้คือบัณฑิตเรื่องความโลกเป็นโลกความรู้จริงๆคือรู้ทําความดีแล้วไม่มีเรื่องความชั่วเึื่งเรื่องความชั่วทุกอย่างเขาไม่ทํากันเขาไม่เคยรู้แต่มาเกิดในโลกนี้อย่างเดียวเขารู้แต่ก่อนมาเกิดในโลกนี้สมัยที่เขาเกิดโลกจมูกเขาเป็นคนรู้แล้ว นน ห, นหนึ่งมีความเคารพอะไรเป็นนามของขรุสามมีเรื่ความตายสา ม, มีสิบเอ็ดวันสุรแกะกำหนดสิบวั น, นสุดโดยเฉพาะยี่หคนแรกนีมีกับสิบวันสุด้นเรื่อต่างๆที่ใดมีคนคนเคารพ ห, รหาติสารโสตสีหรือปฏิบัติได้ดีหนาติสารโสตแต่ได้ฌานโรกีตายอยากโคกนคนเบญจดาบ้างสองบ้างอดเป็นศาสบาบรมีบงเกา่ามา ก, เ, เ, มมากมาเกิดบนได้ไย่มากไม่คนรยเกิดในโลกจงเจริญกรดลงที่มีสองทุกอย่าง ในมนุษย์รักถึงก็แห้งสี่เวลาตลอดเวลากลายก่อข้อความสวัสดิภาพนับมงคลสมบูรณ์ผลผลจะุปในมนวษย์รักทุกสวัสดี